วันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเพื่อจะเป็นการเสริสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะนำพาให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์เพราะว่า ความทุกข์ของเรานั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราขาดสติปัญญาการรู้เหตุรู้ผลนั่นเองก็คือรู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เราพบกันมีการอยู่นีน่เกิดจากความอยากของเราเองไม่ได้เกิดจาก สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่สิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจก็คือความอยากของเราที่เกิดจากความไม่รู้ความจริงอันนี้นั่นเองความไม่รู้ว่าความอยาก เป็นต้นเหตุของความทุกข์เลยทาให้เราผลิตความทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราคือเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นคงท้าวรนไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้มั่นคงท้าวอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มัน่นคงไม่ถ้าวอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องพบกับความทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้สิ่งที่เราปรารถนากัน เราได้สิ่งที่เราไม่ปราถนากันก็คือความไม่ถาวรความไม่มั่นคงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเราจึงอยากให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงให้เขามั่นคงให้เขาอยู่อย่างถาวรแต่มันก็ยิ่งทําให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามากขึ้น เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากความอยากของเรานั่นเองบีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงสามารถรู้ความจริงอันนี้นได้ทรงรู้ว่าความทุกข์ของพระองค์นั้นเกิดจากความอยากของพระองค์เองเช่นทรงเห็นว่าร่างกายของพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไป ความอยากของพระองค์ก็อยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามการที่พระองค์ทรงเสดงออกจากพระราชวังก็ทรงหาวิธีที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือมีวิธีที่ทำให้พระองค์ ไม่ต้องทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายหลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญกิจตรภาวนาจนพ่อไทยสงบลงก็รทรงเห็นว่าความทุกข์ต่างๆนั้นหมดหายหมดไปแต่เวลาที่ทรงเสด็จออกจากความสงบพอเริ่มเห็นสิ่งเห็นร่างกายของพ่อ ก็ส่งเกิดความทุกข์เพระไทยขึ้นมาเพราะเห็นร่างกายทีไรก็ส่งเห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปแต่หลังจากที่ได้ส่งวิจิตรไฉด้วยสติด้วยปัญญาก็ส่งพบว่าเวลาที่พระองค์ไม่มีความทุกข์ใจนั้น เป็นเวลาที่พระองค์ไม่มีความอยากเช่นเวลาอยู่ในความสงบจิตหยุดคิดปรงแต่งความอยากต่างๆที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งนั้นก็หายไปความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็หายไปจึงทรงได้พบความจริงขึ้นมาว่าความทุกข์นี้ ดับได้ด้วยการหยุดความอยากการที่จะหยุดความอยากก็ส่งพิจารณาว่าต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไม่มีร่างกายของใครที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและส่งพิจารณา อีกก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนไม่ได้เป็นสมบัติของของผู้ใดร่างกายนี้เป็นสมบัติของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟมาจากดินจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาในรูปแบบของอาหารตอนตอน้นก็มาใน อาหารทางสายเลือดเวลาที่ร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ในคันของมันดามันดาก็หล่อเลี้ยมร่างกายนี้ด้วยสายเลือดด้วยน้ําเลือดที่เป็นอาหารอันละเอียดพอร่างกายที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้รับอาหารอย่างต่อเนื่องได้รับธาตุสี อย่างต่อเนื่องร่างกายก็เริ่มมีอวัยวะต่างๆปรากฏขึ้นปรากฏมีผมมีขนมีเล็มีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะ32ประการและพอร่างกายนี้เจริญติบโตจนไม่สามารถอยู่ในคันได้ก็ต้องคลอดออกมา พอคลอดออกมาก็มารับธาตุสีเพิ่มแต่มารับธาตุลมด้วยการหายหายใจเข้าออกมารับธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟด้วยการรับประทานอาหารทั้งอาหารเหลวและอาหารหยาบตามตามลําดับตามกําลังของร่างกายที่จะรับได้ในเบื้องต้นจะรับอาหารเหลว ล้วพอจะนอนดับต่อขึ้นไปมากขึ้นก็เริ่มรับประทานอาหารหยาบคืออาหารที่มีกากแล้วก็เลยมีการขับถ่ายเศษอาหารปฏิกูลออกมาจากทางร่างกายมีการขับถ่ายน้ำออกมาน้ำที่เข้าไปก็มีออกมานี่คือ ระบบการไหลเวียนของธาตุสีดินน้ำลมไฟในระยะแรกแรกของการมีชีวิตอยู่การเข้าของธาตุสีนี้จะมีมากกว่าการออกของธาตุสีร่างกายจึงเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆมีรูปร่างใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะปริมาณของธาตุที่เข้าไปนั้นมีมากกว่าปริมาณของธาตุ ที่ออกมาแต่พอไปถึงขีดการจจนิาเติบตเต็มที่แล้วปริมาณของธาตุธาตุสที่เข้าออกก็เริ่มจะอยู่ตัวปริมาณเข้าไปกับปริมาณออกมาก็จะเท่ากันแล้วก็จะเริ่มปริมาณของเข้าก็จะ มีน้อยก่อนปริมาณที่จะออกร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมทรมลงชล้ำรูดซุดโทรมลงน้ําหนักก็จะลดลงไปพอถึงเวลาที่ไม่มีการไหลเวียนเข้าออกของธาตุสคือลมไม่ไหลเข้าไม่ไหลออกไม่ไหลเข้ามีแต่ไหลออก ธาสีก็จะมีแต่ไหลออกธาตุน้ำก็จะไหลออกธาตุลมก็จะไหลออกธาตุไฟก็จะไหลออกเหลือว้แต่ธาตุนินที่เป็นร่างกายที่แห้งกรอบหลังจากที่ได้เน่าเปื่อยจนแห้งกรอบ นั่นในที่สุดก็ผุพังไปกลายเป็นดินไปถ้าเอาไปเผาไฟก็จะกลายเป็นที่เท่าแล้วแต่เศษกระดูกที่ไฟไม่ได้ไหมเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายจึงทรงเห็นว่าร่างกาย นั่นเป็นเพียงดินน้หลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายคําว่าสัตว์บุคคลตัวตนนี้ออกมาจากใจใจเป็นผู้ให้คำนิยามของคําว่าสัตว์ของคําว่าบุคคลตัวตนใจเป็นผู้มาครอบครองร่างกาย ใจใช้ร่างกายประกอบภารกิจต่างๆตามความต้องการตามความอยากของใจผู้ที่ได้รับผลจากการกระทำก็คือใจใจได้รับความสุขได้รับความทุกข์จากการกระทำของตนผ่านทางร่างกาย ถ้าร่างกายสามารถทำตามสิ่งที่ใจอยากได้ใจพบกับความสมหวังใจก็จะมีความสุขถ้าร่างกายไม่สามารถทำตามที่ใจต้องการได้ใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเวลาที่สิ่งที่ใจได้มาต้องจากไป หรือต้องเปลี่ยนไปใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใจจึงไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไปเพราะใจไม่ต้องการความทุกข์แต่ใจไม่รู้ว่าทําอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งไม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดไปได้ ใจไม่รู้ว่าใจสามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างของการดับไปของทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่มีความทุกข์ใจถ้าใจไม่ประยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ดับไปไม่เปลี่ยนไปถ้าใจปล่อยวางให้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตาม เรื่องของเขาใจก็จะไม่ทุกกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตรัสรด้วยการมินิจฉัยด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลจึงทำให้พระองค์สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ก็สรงเห็นว่าความทุกข์ของพระ อ, องค์นี้เกิดจากความอยากของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จึงไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงหยุดความอยากได้เพราะทรงเห็นว่าความอยากนี้เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจ เหมืกับการทุบศีรษะของตนเองถ้าพวกเรารู้ว่าการที่ศีรษะเราปวดเพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราก็คงจะไม่เอาค้อนมาทุบเราก็คงจะหยุดทุบศีรษะกันอย่างพวกเราทุกคนนี้ก็ไม่ได้เอาค้อนมาทุบศีรษะกันนะอย่างเพราะเรารู้ว่าถ้ามาทุบศีรษะก็จะต้องปวดศีรษะอย่างแน่นอน ชั้นได้สิ่งที่พระเจ้าทรงทรงตัดสรู้เห็นก็อย่างนั้นแตเป็นค้อนทางจิตใจความอยากนี้เป็นเหมือนค้อนที่ทุกจิตใจให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเมื่อทรงรู้ก็ทรงหยุดทุกจิตใจด้วยความอยากต่างๆตามนั้นเองความรู้นี้เป็นความรู้ที่ ลึกลับพอสมควรเพราะไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้มารู้ได้เลยก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงตัดสรุปความรู้นนี้พระองค์ก็ทรงไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายท่านด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถดับความทุกข์ได้อย่างถาวรดับได้ก็เฉพาะเป็นเวลาที่เข้าไปในสมาธิเท่นั้น เวลาเข้าไปในสมาธิใจก็หยุดทุกสีสระของตนตอนนั้นใจสงบใจก็ไม่ได้มีความอยากต่างๆไม่มีการมรรตันหาไม่มีภาวะตันหาไม่มีวิภาวะตันหาพอไม่มีก็เลยไม่มีความทุกข์ใจมีความสุขใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลังจากที่ออกจาก สมาธิมาแล้วทำอย่างไรไม่ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. พอเห็นความแก่ความเจ็บความตาย mm hmm. ก็เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาแต่ mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร mm hmm. มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวทั้งนั้นที่หลังจากไม่สามารถหาความจริงนั้นได้จากผู้อื่นแล้ว จึงส่งต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้พบความจริงอันนี้ตอนต้นก็หลงทางไปไปคิดว่าความทุกข์ใจอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การรับประทานอาหาร ก็เลยทรงคิดว่าคิดว่าการรับประทานอาหารนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็กเลยทรงหยุดรับประทานอาหารแต่ทรงหยุดรับประทานจนกระทั่งร่างกายจะตายไปก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เหมือนเดิมคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความทุกข์ใจเหมือนเดิมจึงทรงเห็นว่า การหยุดรับประทานอาหารไม่ได้เป็นทางที่จะดับความทุกข์ใจได้การทรมารร่างกายด้วยวิธีการต่างๆที่ฤูสีชีพัยต่างๆได้ปฏิบัติกันก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้เพราะงั้นยหยุดสิการหยุดอาหารอดอพักระกยาหาร แล้วส่งกลับมาสมยพญาหารเพื่อจะได้มาแก้ปัญหาที่ทรงคิดว่าอยู่ในข้อไถ่ของพระองค์เองอยู่ตอนที่อยู่ในระหว่างอยู่ตรงที่สงบและไม่สงบเวลาสงบมันไม่ทุกแต่เวลามันไม่สงบมันทุกและมันทุกเพราะอะไรเวลาที่มันไม่สงบมันทำอะไร ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าเวลามันไม่สงบเวลามันเห็นอะไรมันเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาที่มันสงบมันไม่มีตัณหาไม่มีความอยากมันเป็นอุเบกขามันวางเฉยได้แต่เวลาที่มันไม่สงบมันจะองแต่งกดตัณหาความอยากขึ้นมาดังนั้นหลังจากที่ พิจารณาช่วงที่มีสมาธิกับไม่มีสมาธิก็เห็นว่าแตกต่างกันตรงที่มีความอยากหรือไม่มีความอยากนี่ลองจึงส่งพิจารณาทดสอบดูเวลาไม่มีความอยากเป็นอย่างไรก็ส่งเห็นว่าเวลาไม่มีความอยากใจสบายใจเป็นแบเกาามีความสุข ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆแต่เวลาที่มีความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพรอง์จึงทรงเห็นว่าความอยากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และ สิ่งที่จะทำให้ใจไม่อยากได้ก็คือต้องเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็คือว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เช่นไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ร่างกายอย่างไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปอย่างแน่นอน ถ้าอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่สบายใจจะทุกข์ใจถ้าไม่ได้ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือใจปล่อยวางร่างกายวางเฉยร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปใจก็ไม่ทุกข์ไม่มีปัญหาอะไร แต่การที่ใจจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปทำอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอทรงเห็นว่าการที่จะหยุดความอยากนั้นต้องเห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ เราจะไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่ไปตลอดให้ไปให้ดีไปตลอดให้เจริญไปตลอดไม่ให้มีการเสือ่อมไม่มีไม่ให้มีการดับไปเป็นสิ่งที่เราทํากันไม่ได้ทุกคนรู้ว่าในโลกนี้มีความทุกข์รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เกิดจากการเสื่อมเกิดจากการดับของสิ่งต่างๆไปแต่ไม่รู้ว่าความทุกนี้ เ, เกิดจากอะไรไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากของตนไปคิดว่าเกิดจากการเสื่อมของสิ่งต่างๆเราจึงพยายามหาวิธีที่จะยับยั้งการเสื่อมต่างๆ อย่าเช่นร่างกายของเราคนที่มีความสามารถมีเงินมีทองก็พยายามทุ่มเทเงินทองให้กับกายหาวิธีดูแลรักษาร่างกายไม่ให้เสือ่อมไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไปแต่มีเงินมากน้อยเพียงไรศึกษามากน้อยเพียงไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะ ถ้าไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะว่าเขาไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะไปห้ามพายุให้เกิดขึ้นได้ห้ามไม่ให้น้ําท่วมเกิดขึ้นได้ห้ามไม่ให้มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นได้เฉพาะว่า เขาเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออำ น, นาจของเรานั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่เนือนความสามารถของเราที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์อยากจะอยู่อย่างสบายใจเราก็ต้องปล่อยเขาไป ปล่อยแลาวก็จะเกิดความสุขความสบายใจขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหมดไปแล้วก็จะรู้ขึ้นมาเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเรามันดับไปเราก็ไม่ได้ดับไปกับมันเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม นี่ลนะคือเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เห็นว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากในการที่จะหยุดความอยากเพื่อดับความทุกข์ได้<ม>ก็ต้องเห็นว่าไม่สามารถสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความอยากของตนได้ ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สามารถสั่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่พัดพ้าอยากกันได้ก็เลยหยุดหยุดความอยากไปปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสาภาพของเขาเขามีเกิดมีดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นการดับความทุกข์ใน ระดับหนึ่งก็งยังมีความทุกข์ที่เหลืออยู่คือความทุกข์ที่เกิดจากการ ม, า ม, มีความมีการอารมณ์เวลาที่เห็นร่างกายที่สวยงามก็จะมีการอารมณ์เวลาเกิดความอารมณ์ก็เกิดความไม่สบายใ จ, จใจอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นปกติสุขจะต้องเสกไ สัมผัสกับลูกที่ตนชอบที่ตนคล้ถึงจะระงับดับความไม่สบายใจไปได้คือการอารมณ์แต่การดับการอารมณ์ด้วยการเสกการมนี้เป็นการดับเพียงชั่วคราวเหมือนกับการเข้าไปในสมาธิพอได้เสกกรมการอารมณ์ก็จะระงับดับไป การมาลก็คือความอยากเสกการมนี่เองความอยากพอได้รับการตอบสนองก็จะสงบตัวลงไปก็เหมือนกับได้เข้าไปในสมาธิความเวลาใจสงบก็ไม่มีความอยากที่จะเสกกรรมเหมือนกันแต่หลังจากนั้นไม่นานความอยากเสกกรรมก็จะ ปรากดขึ้นมาเอเพราะการดับการอารมณ์ด้วยการเสด็การไม่ได้เป็นการดับความอยากที่จะเสดการอย่างถาวร น, นั่นเองเป็นการอยากที่เป็นการดับเพียงชั่วคราวถ้าอยากจะดับความอยากจะเสดการอย่างถาวรก็ต้องมองร่างกายในทางตรงข้าม ถ้ามองร่างกายว่าสวยงามแล้วทำให้เกิดความอยากเกิดความรักเกิดความค่ายขึ้นมาก็ต้องมองไปในด้านที่จะทำให้ไม่เกิดความอยากเกิดความรักเกิดความค่ายก็ต้องมองในส่วนที่ไม่สวยงามสวยงามเรียกว่าสุภาพไม่สวยงามก็เรียกว่าอสุภาโดยปกตินี้ โดยสัญชาตญาณของของกิเลสตัณหาจะไม่ชอบมองส่วนที่ไม่สวยงามจะชอบมองแต่ส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามก็พยายามจะเสริมให้มันสวยึมีการเสริมสวยกันอยู่ทุกยุคทุกสมัยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสั่งมาสอน ในโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตามจะมีวิธีการต่างๆที่จะเสริมความสวยงามของร่างกายอยู่มาทุกยุคทุกสมัยนะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามร่างกายที่มีร่างกาย ก, ก็อยากจะให้เป็นที่รักที่ชื่นชมของผู้อื่นก็จะ เป็นไปกับการเสริมสวยร่างกายให้ดูสวยงามมากกว่าปกติแต่ความสวยงามนี้มันก็เป็นความสวยงามชั่วคราวร่างกายเมื่อมีอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆความสวยงามก็จะค่อยหมดไปความไม่สวยไม่งามก็จะกลับมาแทนที่ หนังที่เคยเต่งๆก็จะย่นจะเหี่ยวผมที่เป็นผมสีดำก็จะกลายเป็นสีขาวไปร่วมไปแล้วถ้าเวลาตายไปร่างกายก็จะขึ้นอื่นขึ้นมาเน่าขึ้นมาถ้าอยากจะดับการมล ก็ต้องมองในส่วนที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ามองนั่นเองดังนั้นจึงมีการจเจริญอ ส, สุภพกรรมาฐานมีการพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายโดยเฉพาะในหมู่ของนักบวชทั้งหลายเช่นนักบวชในศาสนาพุทธตั้งแต่วันบวชก็จะได้รับการสั่งสอนให้พิจารณาอาการ ถ้ารายการของร่างกายคือให้พิจารณาผมขนและปันหนังให้พิจารณาถึงสภาพที่สวยงามและสภาพที่ไม่สวยงามเพื่อจะได้ไม่ไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเพราะถ้าเกิดการอารมณ์แล้วก็จะไม่สามารถรักษาสถานภาพของรักบวดได้ ว่านักบวชนี่อยู่ภายใต้กฎของศีลธรรมที่ไม่ให้ไปเสกการกับผู้อื่เพราะการเสกการนี้ไม่ได้เป็นวิถีทางที่จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาดังนั้นผู้ที่บวชจึงไม่เสกการกัน ถึงต้องใช้วิธีการดับการอารมณ์ด้วยการพิจารณาอสุภะคือความไม่สวยไม่งามของร่างกายพิจารณาผมที่จะต้องหอกพิจารณาหนังที่ต้องเหี่ยวต้องย่นหรือต้องเน่าต้องเปื่อยต้องต้องเน่าต้องพองขึ้นอื่นขึ้นมานะพิจารณาอย่างนี้ไป แล้วก็จะสามารถควบคุมการมารมได้ดับการมารมได้ผู้ที่ดับการมารมได้ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่ตามลาพังได้ไม่จะไม่รู้สึกเหงาเศร้าส้อยว่าเหวเหมือนกับผู้ที่ยังเสกการมอยู่เวลาได้อยู่กับคนที่รักที่ชอบจะมีความสุขมีความเพลิดเพลิน ในเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังก็จะมีความเศร้าสซ้อยหงอยเหงาว้าเวมีความทุกข์ใจนี่คือการดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการมีการมารมการอยากจะเสกการมถ้าไม่มีการมารมแล้วก็อยู่ การลำพังได้อย่างสบายไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาร้องหมร้องไห้กับการพัดพลาดจากกันของคู่รักของตนคู่รักจะไปพูดกบไปคุยกับใครจะให้ความสัมคัญ์กับใครก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ไปอาศัยคู่รัก เป็นเครื่องมือให้ความสุขเราอาศัยความสงบที่เกิดจากการดับการอารมณ์ให้ความสุขเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปวิตกกังวลกับคนอื่นเขาว่าเขาจะรักเราไปตลอดหรือไม่เขาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่เขาจะนอกใจเราหรือไม่อะไรต่างๆเหล่านี้ จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจต่อไปเพราะเราสามารถอยู่ตามลําพังได้นี่ก็คือวิธีการดับความทุกข์อีกระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีการดับความทุกข์ขึ้นไปอีกจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจทั้งหมดนี้ก็ดับด้วยการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็น อนัตตาทั้งข้างนอกทั้งข้างในความสุขภายนอกคือความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายก็เป็นอนัตตาความสุขทางร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายไม่แก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนั้นก็ยังมีความสุขภายในใจที่เกิดจากความสงบก็ยังเป็นความสุขที่เป็นอนัตตาอยู่ ก็คื อ, อยังไม่เทียงยังมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้สุขไปได้ตลอดถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอนัตตาก็จะหยุดความอยากให้มีความสุขไปในใจไปตลอดเพราะสุขนี้ยังไม่ใช่เป็นสุขแท้เป็นสุขที่ยังอยู่ภายใต้ กฎของอนิจังทุกขังอนัตตาพอสามารถพานความสุขปล่อยวางความสุขภายในใจนี้ได้แล้วความทุกข์ทั้งหลายภายในใจก็จะหมดไปเหลือแต่ความสุขที่ถาวรที่เป็นประมังสุ ข, ขงังอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติ ที่จะนำพาไปสู่การดับทุกต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปล่อยวางความสุขทางกายและทางใจไปทั้งหมดถึงจะได้เข้าถึงความสุขที่บริสุทิ์ความสุขที่เรียกว่าปลังงสุขขงังที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขนี้เราก็จะพบกับความสุขแบบชั่วคราวที่ สโลกทั้งหลายในโลกนี้ได้พบกันสุขที่ได้จากการเสกรูดเสียงเก็ดลพปฎิภาวะสุขที่ได้รับจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีกําลังวังชาสุขที่ได้รับจากใจที่มีความสงบแต่ก็ยังเป็นความสุขที่มีวันเสื่อมหมดไปได้ทรัพ ราบราบยศตะเสริญความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายมีเจริญก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาความสุขทางร่างกายความสุขของร่างกายความสุขของใจก็มีเจริญมีเสื่อมไปได้เช่นเดียวกันมีความสุขันเดียวที่ไม่เสื่อมก็คือความสุขที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความสุขที่ไม่มีความอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สุขไปตลอดมีไปตลอดอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปสิ่งใดจะไปก็ปล่อยเขาไปสิ่งใดจะมาก็ปล่อยเขามาใจไม่มีความอยากกับการเกิดกับการดับไม่มีความอยากกับการเจริญกับการเสื่อมของสิ่งต่าง อ น, นี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะทำบุญให้ทานรักษาสีนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เพื่อให้เราเข้าถึงความรู้อันนี้ให้เราเข้าถึงพระอริยรรสัจสีให้เราเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเราและการที่จะดับความทุกข์ ก็ต้องเกิดจากการเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เช่นอยากให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่อยากให้เขาเสื่อมไม่อยากให้เขาดับอันนี้เป็นไปไม่ได้พอรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็จะได้หยุดความอยากต่างๆ เพื่อจะได้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาพอปล่อยแล้วใจก็หายทุกกาไม่มีความทุกข์นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงดังนั้นก็ขอให้พวกเราจงพยายามขวนขวายเร่งรีบปฏิบัติกันเพราะวันเวลาที่เราจะได้ปฏิบัตินี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ เราควรที่จะขยับของการปฏิบัติของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับทําทานแล้วเราก็ต้องเข้าสู่การรักษาสี่งเราต้องเปลี่ยนสภาพสถานภาพจากการเป็นนักบุญขึ้นไปเป็นนักบวชตอนต้นก็เป็นนักบุญก่อนคือทําทานมีเงนินมีทางมีสมบัติข้าวของอะไรที่เราสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ก็แบ่งไป จนไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็ต้องมาถือศีลแปดถือศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดแล้วก็มุ่งหน้าตั้งน้าตั้งต า, ต, ง ต, าตั้งใ จ, จเจริญสติเพื่อทําจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิพอจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะได้ พิจารณาทางปัญญาได้เมื่อพิจารณาทางปัญญาพอเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจภารกิจในศาสนาก็จะหมดสิ้นไปการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปรับผล ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีอีกต่อไปก็ขอให้พวกเราพยายามคิดถึงภารกาิจนี้ให้ความสำคัญแก่ภารกิจนี้ยิ่งกว่าภารกาิจต่างๆในโลกนี้เพราะภารกาิจต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้มีภารกาิจของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้น ที่จะทำได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรจะเวลาเราขออุติเอาไว้เป็นท่านี้หนังสือแจกกันหมดได้ยังขายไม่ได้ต้องการก็ขึ้นมาหยิบเอานะ ใครอยากจะถอยของก็ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้พอนึงนั่งพอดีครับบดีบดีหมดชุดท้ายก็ดีใหพี่ถอดตไม่มีไหหลำ เดี๋ยวจะให้พรก่อนเพราะบางท่านอยากจะเดินทางไปต่อหลังจากให้พรแล้วนะเดี๋ยวใครต้องการจะสนทนาทรมคุยถามปัญหาก็ทำได้ต่อเชิญห mm hmm. ยิบหนังสือไปได้เนะหนังสือซีดีเอ mm hmm. าไปแจกกัน mm hmm. มีใครจะถามปัญหาอะไรไหม พระอาจารมีอะไรหมอจาี่าว่ามีนะคัอาจารย์เราีให้หมดทุกทำยังไงเรียนทำอย่างดีมันอยู่ที่ตัวเราแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแล้ว ที่ตัวเราที่จะทำให้มันแจ้งขึ้นมาทำความดับทุกข์ให้แจ้งขึ้นมาถ้ายังไม่แจ้งก็ต้องทุกข์ต่อไปเวลาร้องไายก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> อะ้มีทางอินเทอร์เน็ตจะถามปัญหาก็ถามมานี่คถาม ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางอินเทอร์เนต็ตผ่านเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณนู๊ตนะครับ <c oughs> อยากอยากกลับเรียงถามว่าผู้สูงอายุควรปฏิบัติอย่างไรอยากบอกให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรท่านอายุ80แล้วไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน บางนีควรจะอยากให้เราปฏิบัติมากกว่านะ <c oughs> คนอื่นเป็นเรื่องของเขาเขาอยากจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองถ้าเขาไม่อยากปฏิบัติต่อให้ไปถูถ่ยอย่างไรเขาก็ไม่ปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราปฏิบัติก่อนถ้าเราปฏิบัติแล้วเขาเห็นตัวอย่างที่ดีเขาก็จะเกิดศรัทธาอยากจะปฏิบัติเองเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงได้เสด็จออก บวชแล้วหลังจากที่ได้บรรดุแล้วพูนญาติพี่น้องเช่นพระพุทธามารดาเลี้ยงก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชตามดังนั้นถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ผู้ญาตายายญาติสนิทไม่สหายเขาปฏิบัติเราต้องปฏิบัติก่อนถ้าเราปฏิบัติแล้วเราได้ผลดีเขาเห็นความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติในตัวเราเขาก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเอง ครับต่อไปเป็นคำถามจากคุณอาทอยนะครับดิฉันกระดูกสะโพกหักต้องพักรักษายาวสามถึงหกเดือนผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกมาได้ยี่สิบห้าวันแล้วต้องระวังไม่ให้ล้มอีกพยายามพึ่งตนพยายามพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดเพราะยังเดินเต็มเท้าไม่ได้ใช้วอลเกอร์สีขาปฏิบัติทำ ม, มาบ้างค่ะความเพียรให้เห็นทุก ทุกสัจจะและใจมีว <oons> ิธีใดบ้างคะที่จะใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสก็เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายก็ต้องคอยดูใจว่าใจเราทุกไปกับความทุกข์ของทางร่างกายหรือเปล่าถ้าใจเราทุก์เราก็ต้องดับความทุกข์ภายในใจให้ได้ด้วยการทําใจให้สงบ เลยด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากความอยากให้ความทุกข์ของร่างกายหายไปถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเป็นวิภวะตัญหาอยากให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปก็จะเกิดความทุกขทรมานใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความทุกขทางร่างกายถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้ ไม่ว่าจะด้วยการทำใจให้สงบด้วยอุบายของสมาธิหรือการพิจารณาหยุดความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปได้เราก็จะได้ประโยชน์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสมาธิที่จะสามารถรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับความทุกข์ของร่างกายได้ อันนี้เรียกว่าการพลิกวิวกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าโดยปกติถ้าร่างกายเราอยู่สุขอยู่สบายเราก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิทําใจให้สงบหรือพิจารณาด้วยปัญญาเพราะว่ามันไม่มีปัญหาหยังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิด ตอนนี้เรามีความทุกข์ทางร่างกายแล้วถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปเราก็ต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะความทุกข์ทางร่างกายมันเป็นอนัตตา เขาจะหายหรืいい Surely, อไม่หายนั้นเราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ก็คือความทุกข์ทางใจเราสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ถ้าเรายอมรับว่าความทุกข์ทางกายนี้ต้องเป็นอย่างนี้จะหายไม่หายนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่หายเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้าเราอยู่กับเขาได้เราก็จะไม่ทุก การจะอยู่กับเขาได้ก็คือต้องไม่อยากให้เขาหายไปนั่นเองนี่คือการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคำถามข้อต่อไปจากคุณปทุมนะครับเคยมีโอกาสมากราบพระอาจารย์เมื่อต้นเดือนที่แล้วและสนทนาธรรมปกติปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านเป็นประจำเรียกว่าทุกวันก็ได้ในเวลาเช้าก่อนจะเปิดร้าน เวลาแต่และ ว, วันจะมีไม่เท่ากันจะคิดในใจเสมอว่าขอเวลาเท่าที่มีหรือตั้งเวลาในใจไว้เลยเท่าที่มีเวลาเช่น40นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ใช้นาฬิกาพอเวลาออกจากสมาธินั้นตรงเวลาพอดีเป็นเพราะอะไรคะถ้ามีนัดกับลูกค้าก็นึกไว้ก่อนเข้าสมาธิจะไม่พลาดก็ประหลาดใจ เป็นธรรมชาติของใจที่เป็นอย่างนั้นถ้าเราลองได้กําหนดอะไรไว้แล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจพอถึงเวลามันก็จะทําตามที่ได้กําหนดเอาไว้เช่นอยากจะตื่นเวลาไหนถ้าเรากําหนดไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลานั้นมันก็จะตื่นขึ้นมาอันนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือว่าเวลาทุกเกิดขึ้นมาแล้วเราดับมันได้หรือเปล่า ครับจากคุณอัญนชนาครับไม่เป็นคำถามไม่ใช่การปฏิบัตินะครับกับนมาสการพระอาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตไลฟ์ซีดีชุดกำลังใจ61แจกให้กับผู้ที่สนใจอยากฟังทรรมจะได้ไหมคะกับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะได้ไม่สงวนฤก ษ, ษ, ษ์เสร็จถ้าไม่เอาไปจำหน่ายเป็นสินค้าครับต่อไป เป็นคำถามจากคุณอาร์มี่นะครับขาดวิริยะความเพียรควรทําอย่างไรครับก็ต้องเติมมันสิเหมือนเวลาไม่มีน้ํามันเราทําอะไรง่านคาถามมันง่ายจะตายเลยคนเวลาไม่มีน้ํามันคุณทําอะไรคุณก็ต้องไปเติมน้ํามันไม่ใช่เหรอเวลาคุณไม่มีความเพียรคุณก็ต้องเติมความเพียรนั่นนั่นเหรอเฮ้ยแหมไม่น่าถามเลย แค่งโง่เปล่าครับต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณสศินานะครับหนูสงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมค่ะคือมีคนใส่ร้ายทำคลิปออกมาประจานและใช้คำพูดใส่ความแม่น้องสาวและครอบครัวหนูเกาหาว เกาหาว่าครอบครัวหนูทําของใส่ร้านเขาเพื่อให้เขาขายของไม่ดีและต้องการทําลายชื่อเสียงครอบครัวหนูลูกค้าและเพื่อนบ้านจะได้รังเกยียจว่าครอบครัวหนูทําเรื่องต่ําทําเรื่องไม่ดีคนจะได้ไม่เข้าร้านช่วงที่มีปัญหาหนูและครอบครัวได้ไปกราบนมาัสาการพระอาจารย์สุชาติที่วัดยานพระอาจารย์ท่านเมตตาสอนและเตือนสติหนูบอกว่า ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อโหสิกรรมให้เขาเปลี่ยนเขานะเปลี่ยนยากเปลี่ยนตัวเองดีกว่าทาั้งๆที่หนูไม่เคยเล่าอะไรให้ท่านฟังเลยถ้าไม่ได้ท่านหนูคงโกรธและยังวางไม่ได้ที่มาทํากับหนูและครอบครัวหนูอย่างนี้แต่หนูอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าหนึ่งถ้าอาโหสิกรรมให้แล้วหมายความว่าเขาก็ไม่ต้องรับกรรม ที่ทำกับหนูและครอบครัวหนูใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกกรรมที่เขาทาก็ต้องรับไปแต่กรรมที่จะเกิดจากที่เราจะไปทําร้ายเขานั้นก็จะไม่มีท่านั้นเองข้อสองเมื่ออาโหสิกรรมแล้วพบหน้าก็จะไม่ต้องมาเจอกันอีกใช่ไหมคะก็ไม่แน่หรอกเรื่องการจะพบกันหรืไม่พบกันแต่ถ้าพบกันเราก็จะไม่มีปัญหากับเขา เขาอาจังจะมีปัญหากับเราอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาแต่เราห้ามตัวเราได้เราจะไม่มีเวรไม่มีกรรมกับใครถ้าเราทําจนติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีเวรกรรมกับใครไม่ว่าจะเจอใครเจอเอยเจอกันมาก่อนหรือไม่เจอกันมาก่อนถ้าเขาจะมาใส่ร้ายหาเรื่องหาอะไรกับเราเราก็จะเอาโหัเสียให้อภัยไปเสมอ ดังนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาเราจะไม่มีความทุกข์ใจกับกับใครทั้งนั้นเพราะเราไม่มีความคิดที่จะตอบโต้ที่จะสร้างเวรสร้างกรรมไปกับเขานั่นเองข้อที่สามหนูเคยได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าใครทํากรรมใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมแล้วกรณีนี้เขาต้องรับผลกรรมหรือเปล่าคะ ก็ตอบไปแล้วในข้อหนึ่งแม้ว่าใครทําการบันไดไว้ก็ต้องรับผลเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองแต่กรรมที่จะเกิดจากการทําทาจากเรานี้จะไม่มีเท่านั้นเองเพราะว่าเราจะไม่ทําอะไรกับเขาคำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับอยากทราบเรื่องการเข้าพวังค่ะว่าเกิดได้อย่างไงและควรทํายังไงไม่ให้เกิดคะ คือผวังนี่มันมีสองอย่างผวังหลับกับผวังสมาธิผวังหลับก็คือเกิดจากการไม่มีสติหรือเวลาสติที่อ่อนลงไปตามลำดับเช่นเวลาเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆนี้สติก็จะมีกําลังดีแต่พอนั่งไปนานๆข้าก็อาจจะอ่อนลงไปอ่อนลงไปพอสติหมดก็จะเข้าผวังหลับแต่ถ้าสตินั้ ถ้าสติมีกำลังดีไม่อ่อนลงไปตามเวลานั่งไปแล้วจิตจะค่อยๆสงบแล้วก็จะเข้าสู่ผวังสมาธิไปวีพวังอยู่สองแบบด้วยกันผวังหลับกับพวังสมาธิถ้าไม่อยากจะให้เข้าในผวังสมาธิก็ต้องฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆให้สติมีกำลังมากๆหรือไม่ฉะนั้นก็ให้ไปอยู่ที่หน่ากลัวถ้าอยู่ที่หน้ากลัวแล้วมันจะ สติมันจะดีมันจะไมะ่ไม่หลับง่ายเวลากลัวอะไรแล้วนี่มันจะตื่นเวลาตื่นก็จะทำให้จิตเข้าสู่ผวังของสมาธิได้คำถามข้อต่อไปจากคุณโชคชัยนะครับอยากเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการบวชผมมีความตั้งใจที่จะบวชเพื่อปฏิบัติอย่างจริงจังพอเริ่มไม่ไว้ ใจชีวิตว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานเท่าไร่และหลังจากหมดร่างนี้ไปแล้วจะได้เกิดมาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าอีกหรือไม่และก็เห็นโลกนี้ส่วนมากมีแต่ทุกขมีสุขแป๊บเดียวเป็นความสุขทุกข์วนไปวนมาซ้ำซ้ำซากซากแต่ผมมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการคองเรือนคือกระผมเป็นห่วงภรรยาและครอบครัว ไม่อยากทิ้งกันกลางทางตอนนี้ก็ปฏิบัติคือมีสติอยู่กับลมหายใจและบริกรรมพุโทโธในทุกๆอริยบทตั้งแต่ตื่นจนนอนลืมบ้างพอนึกได้ก็ทำใหม่ทำอย่างนี้ทุกวันอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องการบวช ด, ด้วยครับเราก็สามารถบวชได้สองรูปแบบคือบวชแบบที่ยังเป็นคารวะอยู่ และบวชแบบที่เป็นนับบวชคือเป็นพระเบื้องต้นถ้าเรายังไม่สามารถบวชเต็มรูปแบบคือบวชเป็นพระได้เราก็บวชในเพศของคาราวาสไปก่อนก็คือให้จัดเวลาให้กับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานี่เองคือต้องมันรักษาศีลให้บริสุทธิปัติก็ต้องรักษาศีลท่าเป็นเป็นปติเป็นอาจิน เป็นนิจศิสินส่วนวันพระวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆวันนั้นเราก็มารักษาสิ่งแปดแล้วเราก็หยุดการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็มาหาความสุขทางด้านจิตใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการไหว้พระสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการพิ จ, จารณา อา น, นิอาอริยสัจสีพิจนาใจรักอั น, นิจังทุกขังอนัตตาไปถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ไปตามลำดับต่อไปจิตใจของเราก็จะเจริญก้าวหน้าจะมีพลังมีกำลังมากพอที่จะทำให้ออกไปปฏิบัติเต็มรูปแบบได้ต่อไปต่อไปเป็นคำถามฝากถามมาจากคุณปทีบนะครับเท่าที่ฟังพระคุณเจ้าเทศ ได้รับความรู้ความเข้าใจแต่เป็นเฉพาะส่วนบุคคลแต่ขนาดนี้ปัญหาของบ้านเมืองมากมายแต่ละคนคงปฏิบัติอย่างพระคุณเจ้าเทศไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองกันอย่างไร <c oughs> เพราะว่าเราไม่เห็นว่าปัญหาของบ้านเมืองมันเป็นอนัตตานั่นเองเราจึงทุกกับการที่พยายามจะไปแก้ในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้กัน ถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็จะเราก็จะยุติ ค, ความอยากที่จะไปแก้ปัญหาของทางบ้านเมืองได้เพราะปัญหาของทางบ้านเมืองนี้มาตั้งมีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดและจะมีต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกนี้เป็นโลกของกิเลสตันหาโลกของการต่อสู้แก่งแย่งชิงเดีแก่งแย่างาบยศสรรเสริญ แข่งแย่งความสุขกันนั่นเองดังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องการแก้ปัญหาทางโลกเลยเพราะว่าแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันจบดังที่หลวงตาท่านเคยสอนอยู่เสมอว่างานทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ไม่มีวันสิ้นสุดให้เรามาทํางานทางธรรมดีกว่าเพราะงานทางธรรมนี่วันมีวันสิ้นสุดมีวันหมดมีวันที่เราจะได้พบกับความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรถ้าเรายังติดอยู่กับการแก้ปัญหาทางโลกอยู่เราก็อยากจะต้องทุกแบบนี้ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าโลกเขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถมายุติปัญหาของทางโลกได้ถ้าเรายอมรับได้ก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าก็ทรงอยากจ ะ, ะแก้ปัญหาทางโลกเหมือนกันแต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็มีการพยารณ์อยู่แล้วว่าถ้าพระองค์ทรงอยู่ในทางโลกก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิการเป็นพระมหาจักรพรรดิก็คือเ ป, เป็นวิธีหนึ่งที่จะที่จะแก้ปัญหาทางโลกแต่เป็นมหาจักรพรรดิก็ยังไม่สามารถที่จะไปแก้ได้อยู่ดี นอกจากไม่ได้แก้แล้วยังกลับไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องแก้ปัญหาในตัวเราเพราะตัวตัวที่มันกระทบกรเทืนตัวเรามากที่สุดก็คือปัญหาในตัวเรานี้เองไม่ใช่ปัญหาที่อยู่ภายนอกถ้าเราแก้ปัญหาที่มีในตัวเราได้หมดแล้วปัญหาที่เกิดจากภายนอกจะไม่เป็นปัญหากับเราเลย เป็นเหมือนน้าบนใบบัวจะไม่ซึมซับเข้าหากันไม่เหมือนน้ํากับใบกระดาษซับกระดาษซึมที่เวลาน้ําหยดลงไปบนกระดาษซับนี้มันจะซึมเข้าไปในกระดาษเลยนี่คือใจของผู้ที่ยังอยากจะแก้ปัญหาทางโลกอยู่พอรับรู้เรื่องของทางโลกปัญหาทางโลกก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่ต้องการจะแก้ก็เพราะว่า คิดว่าแก้ปัญหาทางโลกแล้วจะทำให้ใจสบายนั่นเองแต่ใจจะไม่มีวันสบายเพราะใจจะไม่มีคำว่าพอนั่นเองแก้ปัญหานี้ได้แล้วเดี๋ยวเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาทางใจอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงก็ปัญหาที่เกิดจากความอยากของเรานี่เองพอดับความอยากได้ หลัปัญหาทางใจได้แล้วปัญหาทางโลกนี้จะไม่เป็นปัญหาตัดใจต่อไปหมดแล้วเหรอมีมีอ่า<ม>ท่านนึงส่งข้อความมาถามนานแล้วครับเพิ่งจะได้มีโอกาสถามเพราะฝากถามพระอาจารย์ว่าเขาอยากมาปฏิบัติธรรมทั้งพรรษาในในช่วงการเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้พระอาจารย์แนะนําสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สามารถอยู่ได้นานๆเป็นหลักเดือนเป็นเดือนอย่างเงี้ยครับ มีที่ไหนในเขตจังหวัดชมบุรีหรือภาคตะวันออกบ้างไหมครับเราก็ไม่เคยไปไหนเลยไม่รู้จังหวหมดแล้วครับได้ไใจัด้ใพูดถึงเรื่องทวังะวังที่มีสองอย่างนะทวังหลักกับทวังสมาธิเนี่ยก็ตรงความเข้าใจผมก็คือพวังวังสมาธิก็เหมือนว่า ซึ่งมันนิ่งอยู่แล้วก็ตัวลูกยังคลองรักษาอยู่รู้สึกสัญญาสัญญาแล้วตัวลูกคลองรักษาอยู่ อ, อรู้รสึกตัวตลอดเวลาแต่ถ้าบอกว่าเป็นวงังประวังหลับนี่คือมันเงียบหายไปเลยเ อ, อไม่รู้เลยไม่รู้เลยคลักษณะคราว น, น, น, นี้มันลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับการการจิตมันจะรวมไม่รวมมันหลับวล้วนั่งสับบังหอกนั่งคอครับอย่างเงี้ยแสดงว่าหลับไม่หมายความว่าประวังสมาธินะครับก็คงลักษณะเหมือนจะกำลังพยายามกำลังจะรวมจิตลักษณะนั้นก็การ ผวัาจิตก็คือความ ร, รวมของจิตในการบลยจิตรวมเป็นอุเบกขาสักแตรร่วโรเนี่ยเรียกว่าผวัาจิตนเพราะว่ามันแยกกันทีว่ว่าตัวรูนี่สงังขารรักษาอยู่ตัวสติตัวสติสัมปชัญญะมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็จะดับไปครับซึ่งจะมักจะเกิดกับผู้ปฏิบัติใหม่ๆที่สติยังไม่มีกําลังพอพอนั่งไปสักระยะหนึ่งจิตเริ่มเบาเริ่มสบายก็เลยเคลิ้มหลับไป ถ้ามีสติจิตก็จะสงบตัวลงแต่ผู้ผู้ที่ปฏิบัติจะรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าจิตสงบถ้าเป็นสมาธิจะมีสติสัมปชัญญะจะรู้ว่าเมื่อกี้ี่จิตฟุ่งซ่านอย่างนี้จิตสงบจิตเบาลงจิตวูบลงไปถึงจะรู้แต่ถ้าผู้ที่ไม่มีสตินี้จะไม่รู้จะหลับไปก็เหมือนนอนหลับดีๆนี่เพียงแต่อยู่ในเรียบทนั่งเท่านั้นเอง แทนที่จะนอนก็นั่งหลับไปซึ่งมักจะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่กันนั่งแล้วก็จะหลับกันไปเพราะว่าไม่ได้กำจัดนิวรณ์คือความง่วงเหงาเหงานอนเพราะว่ายังไม่อยากจะสละความสุขทางร่างกายไปนั่นเองอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะได้ความสุขทางใจและอยากจะได้ความสุขทางร่างกายก็เลยไม่ยอมถือศีลแปด อยาจะนั่งจะนั่งสมาธิกันอย่างนี้ก็จะยากแต่ถ้าถือศีลแปด น, นี่มันก็จะกำจัดความง่วงเหงาหาวนอนไปได้ในระดับหนึ่งยิงถ้าอุดอาหารได้หรือรับประทานมื้อเดียวก็จะกำจัดไปได้อีกแล้วถ้ากำจัดรับประทานมื้อเดียวยังง่วงอีกก็ต้องอดอาหารอยู่อันนี้ก็จะทำให้เรื่องความนั่งหลับในสมาธินี้หายไปได้ หรือไม่ฉช่นนั้นก็ต้องไปอยู่ในที่น่ากลัวถ้าอยู่ในที่น่ากลัวแล้วมันจะไม่ลบมันจะตื่นมันจะหวาดกลัวอยู่ตลอดเวละก็ต้องหาอุบายต่างๆเหล่านี้มาช่วยในการภาวนาเพราะว่าโดยลำพังถ้าเราจะอยู่อย่างมั่งอยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายแล้วจะไปเอาความสุขทางจิตใจด้วยนีย่มันจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับมันมันแย่งกัน ถ้าสุขกายมันก็จะไม่สุกใจถ้าสุกใจมันก็จะไม่สุขกายงั mm hmm. ย้นเราต้องเลือกกันว่าเราจะเอาสุขทางร่างกายหรือสุขทางใจ mm hmm. เราสุขทางร่างกายก็ไปเที่ยวไปกินไปนอนไปเดินไปเล่นไปรับประทานกันให้เต็มที่ mm hmm. ถ้าอยากจะสุขทางใจก็ต้องตัดความสุขทางร่างกายไปให้หมด แต่ทั้งพี่ทั้งน้องไม่ได้อคนบางคนก็เก่งเขาได้ได้ทั้งพี่ได้ทั้งน้องก็มีของดีเล่าใาจอยพระราชาหมากษัตริย์เนี่ยท่านต้องการกี่คนท่านก็เอาได้ถ้าท่านมีบารมี ถ้าจาเรียนนังพยายามที่จะเดูอารมณ์นะฮะที่เรู้ว่ า, า อ, อารมณ์ที่พอใจหรือไม่พอใจสิงใดกแล้วแต่เนี่ยดะเอาสติเนี่ยไปไปจับเพื่อให้ไม่ให้เกิดสังขารการปรุงแต่งเพราะจับขังขารพวกนันมันหยุดการปรุงแต่งทุกเนี่ยมันอารมณ์มันไม่เกิดมันไม่อยู่เหรอถ้าถ้าเราไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อ, อย่าไปดูอารมณ์เลยเสียเวลาไปไปดูไ ป, ไปดูปลายไม่ไปดูต้น อารมณ์นี่มันเป็นปลายมันเป็นผลที่เกิดจากการไม่เห็นตายลักมันได้เกิดอารมณ์ถ้าไม่อยากให้เกิดอารมณ์ก็ดูที่ตายลักดูที่อสุภะแล้วมันไม่มีอารมณ์ถ้าอารมณ์เกิดแล้วหยุดมันยากเวลาอยากได้แล้วนี้ต่อให้ช่างมาฉุดก็ไม่อยู่เข้า <c oughs> ใจไหมนั่นเราลงประเด็นกันแล้วไปดูผิดที่กันคนที่บอกดูจิตดูอารมณ์ไม่ <c oughs> ดูบรจาํารตายก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะจะไม่สามารถกําจัดอารมณ์ได้มันก็จะหมอกมาเรื่อยๆได้อย่างมากก็แค่เบรคมันเบรคมันปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอพอปล่อยเบรคมันก็กลับมาอีกง mm hmm. นั้นถ้าอยากจะกําจัดอารมณ์นี้ต้องดูไตรลักษณ์ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ mm hmm. อะไรที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ก็ต้องดูให้เห็นว่าไอ้นั้นมันเป็นอัอนนี้จังทุกข์ังวลน้าตาหรือเป็นอสุภะ mm hmm. มันสวยวันนี้แต่พรุ่งนี้มันจะไม่สวย มันดีวันนี้เพิ่งนี้มันจะไม่ดีเช่นเห็นรถคันใหม่ออกมาจากโชลูใหม่ๆเอต้องเห็นว่าอมันต้องเก่ามันต้องพังเพอาะดีเลยพอดีเลยนะแต่จะโน้นนี่อะไนใจใจมีาตั้หัวรอด้วย เรื่องจริงจริงเลยไรู้มันพอมาได้เลยพี่จีก็คือต้องใช้สติผมว่าพี่ก็ต้องใช้การต้องใช้ใช้สติเสร็จแล้วเนี่ยก็พิจารณาในแง่ของใรักไปเลยสติปัญญาไปด้วยกันมองอะไรก็ต้องแหว่าเป็นใจรักแล้วมันจะไม่อยากได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข มีรถแล้วก็ต้องมาซื้อประกันมาซื้อน้ำมันมาส่าที่จอดมาคอยล้างรถเดี๋ยวนี้บางแห่งนี่ที่จอดแพงกับารถอีกทีสารฝันวันนี้เมื่อก่อนนี่มีข่าวว่าที่จอดรถที่หนึ่งมันเป็นราคาเป็นล้านใช่นียไม่เห็นความทุกขกันมองแต่ส่วนที่เป็นความสุข ก, กันมันก็เลยเกิดอารมณ์อยากได้ขึ้นมา แต่ฉะนั้นส่วนที่เป็นความทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากได้เนี่ตอนมีเพื่อนขายรถิีเลยฮะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั้นอย่าไปดูอารมณ์เสียเวลานะให้ดูวัตถุที่เราอยากได้ดูว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะครับแข็งที่ในบ้านขง ท่านอาารย์คะมีคนเาถามมาค่ะว่าเด็กที an ่คนเขาเป็นโสดแะเขาใช้บริการทางเพศเนี่ยเขาคิว่าผิดศีลข้อสามหรือเปล่าคะก็มันผิดประเพณีไม่ใช่เหรประเพณีของการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเกิดจากการที่ไปสู่ขอเป็นคู่กันเป็นสามีเป็นภรรยากันถึงจะเรียกว่าถูกประเพณี แต่ถ้าไปอยู่ในสังคมที่เขาถือว่าการซื้อบริการทางเพศเป็นการถุกประเพณีมันก็ไม่ผิดถึงข้อสามเช่นในสังศาสนาอื่นที่เขาอนุญาตให้มีสามมีภรรยาได้สี่คนอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าผิดประเพณีการที่เราต้องรักษาประเพณีเพราะว่าถ้าเราทาผิดประเพณีเราก็จะอยู่กับสังคมนั้นไม่ได้นั่นเองหรือจะอยู่อย่างไม่มีความสุข ถึงแม้ว่าจะาไม่ทำผิดสิ่ข้อสามก็คือมีการสู่ขอาการอยู่กันเป็นสามีมเป็นภรรยามันก็ยังเป็นความทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าไม่อยากจะยุ่ทุกข์กับเรื่องนี้ก็ต้องถือสิ่งแปดไปถือสิ่งพรหมจรรย์ไปความทุกข์ที่จะเกิดจากการมีกู้กองมันก็จะไม่มีแต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะสู้กับความอยาก ในการที่จะมีคู่ครองได้ก็ขอให้มันทำให้มันมีโทษน้อยที่สุดการที่ทำให้มีโทษน้อยที่สุดก็ทาให้มันถูกประเพณีจะไม่มีโทษตามมาไปสู่ขอกันถ้าไปซื้อกับบริการนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปรับอะไรกระจับผู้ที่ให้บริการเช่นสมัยนี้มีโรคที่จะต้องอติดต่อการนี้ถึงกับตายได้ ความสุขที่ได้เพียงชั่วไม่กี่นาทีกับความทุกข์ถึงกับการต้องเสียชีวิตนี้มันคุ้มกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะช่วยยับยัง้งการสูญเสียของชีวิตต่อได้ถ้าเราทําถูกต้องตามประเพณีก็เคยมีภรรยามีสามีมีมผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้ แล้วก็มีความซื่อสัสตย์ต่อกันเรื่องการที่จะมีโรคภัยใข้เจ็ด<ม>ก็จะไม่เกิดขึ้น<ม>ก็จะอยู่กันไปได้จนแก่ตาย<ม>แต่ถ้าเราไปสำสอนไปเที่ยวไปซื้อบริการต่างเราไม่รู้ว่าเราจะไปรับเชื้อจากใครมามั่เมื่อไรรับมาแล้วความสุขที่ได้จากการไปร่วมเพศกันนี้ก็จะหายไป สิ่งที่ได้กลับมาก็จะเป็นกองทุกข์คนใหญ่โตโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าจะต้องตายไปมีคนเคยมีปัญหาอย่างนี้มาไปร่วมเพศไปซื้อบริการมาแล้วก็มาตกใจกลัวว่าติดเชื้อเอชอีมาแล้วก็หรือเปล่าตอนไปตรวจเลิอดก็ยังตอนที่ยังไม่ฟังผลนี่ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ มาหาเรากี่ร้ลนครั้งก็อยากจะถามว่าติดหรือไม่ติดเราบอกเราไม่รู้เราไม่ใช่เป็นหมอสิ่งที่เราสอนอย่างเดียวก็คือต้องทำใจติดก็ต้องติดตายก็ต้องตายอุตส่าห์ไปทำบุญบยจากเป็นเงินเป็นล้านเพื่อจะให้ช่วย แต่ก็โชคดีผลออกมาก็ไม่ติดโอ้โหดีใจใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนพ้นจากนรกแต่ก่อนจะพ้นนี่ผมทำบุญอยากเต็มที่เลยนี่แหละผลที่จะเกิดตามมาถ้าเราไม่รักษาสิ่งข้อสามนี่ความทุกข์มันจะตามมาบอกว่าความสุขทางโลกนี่มันเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลดีๆนี่สุกดียวเดียว แล้วก็จะมีความทุกข์กันยิ่งใหญ่ตามมาแม้แต่ความสุขแม้แต่การที่เรามีคู่ครองออมีมีการสู่ขอถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีทุกข์ตามมาได้เพราะถ้าคู่ครองของเราเกิดเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราหรือเกิดเขาเบื่อเ ร, เราก็ไม่อยากจะอยู่กับเราอันนี้ก็จะต้องแยกทางกันะตอนแยกทางกันแล้วความสุขที่ได้ในวันแต่งงานนี่ก็หายไปเลย เหลือแต่ความทุกข์เป็นเหมือนภูเขาทับอยู่บนหัวใจงั้นถ้าไม่อยากจะเจอกับเรื่องราวเหล่านี้ก็อยู่เป็นส่นดีกว่าพยายามพิจารณาสุภาอยู่เรื่อยบริกรรมพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบพิจารณาดูวความไม่สวยงามของร่างกายนึกถึงตอนที่มันขึ้นอืดขึ้นเพราะขึ้นอิดพองขึ้นมาเน่าขึ้นมาบ้าง อย่างในสมัยพระพุตธกาลที่พระเจ้าสรงให้พระไปพิจารณานางโสเพนีที่ตายไปที่มีมีชื่อเสียงว่ามีความสวยงามมากมาไปดูตอนที่เป็นซากศพที่ขึ้นอื่นขึ้นมาแล้วนี่มันทำให้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งทำให้รู้ว่าอ๋อนี่คือร่างกายที่สวยงามที่จะต้องเป็นอย่างนี้ในเวลาต่อมา แข็นอย่างนี้เราก็จะหยุดเรื่องของการบารมณได้อยู่คนเดียวได้อย่างสบายท่านาอยากจะอพระคุณเจ้าเรื่องให้พระคุณเจ้าช่วยมองอนาคตของการปฏิบัติธรรมของคนไทยที่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนิกชน กับข่าวข่าวที่มันอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์นี่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่พราะคุณเจ้ามองการปฏิบัติธรรมของคนไทยที่บอกว่าเป็นชาวพุทธอย่างไรก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามเวลานั่นที่พูะุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพรกพุทธศาสนานี้ก็จะมีอายุไม่เกินห้าพันปีนี่เราก็มาครึ่งหนึ่งขอ ง, ขอ ง, ของยุค ข, ของพระพุทธศาสนานแล้ว การปฏิบัติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจากเคยจากเคยที่มีการปฏิบัติถึงแก่นก็จะหายไปสมัยก่อนสมัยพระพุทธการนี่มีการบรรลุมรรคผลที่ผ่านกันเป็นจำนวนมากนับเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วพอเวลาผ่านไปก็เหลือน้อยลงไปจากแสนจากหมื่นก็เหลือเป็นพันจากพันก็เหลือเป็นร้อยตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเหลือสัดเท่าไหร่ ต่อไปก็จะไม่มีการบรรลุธรรมแล้ได้อย่างมา ก, ก็นั่งสมาธิได้ฌานได้ความสงบได้อิทธิฤทธิปาฏิหารแล้วก็ไปไปไปเห่กับเรื่องการได้อิทธิฤทธิปาฏิหารกันต่อไปการภาวนาก็จะไม่มีการนั่งสมาธิก็จะไม่มีมีแต่การรักษาศีลต่อไปการรักษาศีลก็จะน้อยลง การทำทานก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะเหลือแต่การทำทานอย่างในประเทศเช่นประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีพระเท่าไหร่มีแต่วัดมีวัดแต่มีแต่อุบาสศเป็นคนเป้าวัดเป็นคนกวาถูลานวัดคอยเก็บเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนที่ไปทำบุญกัน แล้วต่อไปก็จะไม่มีใครเข้าใจคําคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้มีอยู่ก็ไม่มีใครเข้าใจคําว่าอนัตตาว่าเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงจิตเป็นยังไงนี้จะไม่มีใครรู้กันเก็จะเห็นเป็นวิจฉาทิตฐิกันไปอย่างที่เป็นกันอยู่ในสมัยนี้แล้วที่เห็นว่านิพพานศูญที่ว่าเมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแล้วทุกอย่างหายไปหมด ตัวเองก็ศูนย์ผู้ปฏิบัติก็ศูนย์อันนี้มันเป็นความเห็นผิดแล้วไม่ใช่เป็นความจริงจิตมันไม่มีวันศูนย์จิตเป็นผู้ปฏิบัติจิตเป็นผู้ยกระดับจิตของตนเองจากกุตุชนเ ข, ข เ, เข้าสู่จิตของพระอริยเจ้าเข้าสู่จิตของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตของพระอรหันจะไปศูนย์ได้อย่างไรสิ่งที่ศูนย์ก็คือกิเลสตัณหา ความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนั้นเท่านั้นเอง ใ, ใจที่ศักดิ์วาลูนี้ไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดถ้าหมดแล้วจะมีปรมังสุขขั้งได้อย่างไรอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่มีหวังรู้ได้อ่านไปแล้วความคิดของเรานี้ก็จะสับสนแล้วก็จะจินตนาการไปต่างๆนานาเหมือนกับการที่เราไม่เคยไปสถานที่ใดมาก่อน สถานที่ในที่หนึ่งมาก่อนพอได้ยินได้ฟังเราก็จะวาดภาพไปในใจว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาเราไปถึงที่นั้นเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราวาดกับสิ่งที่เป็นจริงนี่มันไม่เหมือนกันเลยแม้แต่เสียงที่เราได้ยินได้ฟังทางวิทยุเช่นเสียงโคศกนี่เราก็จะนึกภาพของเขาว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไปเห็นตัวจริงมันไม่ได้เป็นธราช <c oughs> <c oughs> แั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติได้มันก็จะกลายเป็นแบบพวกตาบอดคําช้างกันแล้วก็มานักถกเถียงกันว่านิพพานสุนหรือไม่สุนจิตยังมีอยู่หรือไม่อยู่มีไม่อยู่ทำของพระพุทธเจ้านี้ยังยังยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติได้หรือไม่มันจะมีความลังเลสงสัยอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่มีการปฏิบัติจนกระทั่งจะไม่มีความศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติ เพราะไม่รู้ว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่นั่นเองนี่คืออนาคตของศาสนาพุทธเราเป็นไปได้ไหมครับมีคนพูดกันมากว่าศาสนาพุทธจะไปเจริญในประเทศที่เขาเจริญทางด้านวัตถุหมดแล้วคิดว่าคงจะยากครับเพราะการเจริญทางด้านวัตถุนี้แสดงว่าเป็นการเจริญการเป็นการเสื่อมทางจิตใจ น่าจะไปเจริญในประเทศที่ไม่มีการเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าเช่นถ้าไปเผยแพร่คำสอนให้แก่ชาวป่าชาวเขาเนี้น่าจะมีโอกาสเจริญได้ดีกว่าไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่เขาเจริญทางวัตถุเพราะถ้าเขาเจริญทางวัตถุนี้เขาจะยึดติดกับวัตถุเขาจะไม่กล้ากล้าเขาจะไม่สามารถที่จะปล่อยวางความเจริญทางวัตถุได้เพราะวัตถุจะเป็นที่พึ่งของเขา เขาจะยึดวัตถุเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเขาพอต้องสอนให้เขามาอยู่แบบอดๆอยากๆอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาเขาจะทำไม่ได้แต่ถ้าไปสอนให้กับชาวป่าชาวเขาเนี่ยเขาอยู่กับความอดอยากขาดแคลนมาแล้วก็จะง่ายกว่าในความรู้สึก ข, ของอาตมาเราคิดว่ายอย่างนั้นประคุณเจ้ามันไม่ใช่ตรงกันข้ามกันนะครับ คนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างทางกายพร้อมแล้วไอ้ด้านจิตใจเขาก็จะแสวงหาความสงบได้มมไมีเศรษฐีมาบ อ, อกบวชกันมากหรือเปล่านีา่ <c oughs> ฮะ <c oughs> มีมหาเศรษฐีมีมาพระราชาหมากริย์มาบวชเป็นพระกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> ไหมไม่มีหรอก <c oughs> ยากแต่คนที่มาบวชกันส่วนใหญ่จะเป็นลูกชาวนาชาวไร่ ดูของคนยากคนจนดูประวัติคูบาอาจารย์ต่างๆท่านเป็นลูกชาวนาชาวไร่คนยากคนจนการไม่มีทรัพย์สมบัตินี่มันทำให้บวชง่ายอย่างอาตมานี่ไม่มีทรัพย์สเดีตยวเวลามาบวชไม่มีสมบัติอะไรเลยก็เลยบวชง่ายถ้าก่อนมีกิจการมีเงินเป็นล้านนี่ไม่รู้จะจะบวชได้หรือเปล่า ใช่ไหมเพราะฉะนั้นยากการเจริญทางวัตถุมันก็บอกแล้วว่าจิตใจมันมุ่งไปทางนั้นแล้มันไม่ได้มุ่งไปสู่ความสงบแล้วพอมันไปติดยามันก็เหมือนคนติดยาเสพติดถึงแม่รู้ว่ามันเป็นโทษมันเป็นทุกข์แต่ก็หยุดไม่ได้การเสพวัตถุนี่ก็เป็นเหมือนกัรเสพยาเสพติดดีๆนี่เองเพราะมันก็เป็นรูปเสียงกิ่นรสผลตภะเหมือนกัน เพียงแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนกับยาเสพติดยาเสพติดนี่มันรุนแรงเพราะว่ามันจะทําลายร่างกายได้แต่การเสพรอบยศสารเสรื่อนี่มันยังไม่สามารถมันไม่ได้แรงเท่กับทําลายร่างกายให้ตายไป ท, ทันทีทำใด้ก็อยอมดูความจริงแต่อย่าไปดูทางทฤษฎีทางทฤษฎีมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะว่าเออเรามี เรามีร่ำเรารวยแล้วเร า, เรามีเงินทองเราต้องการอะไรเราซื้อได้หมดแล้วเรามันไม่เห็นสุขทีทีเราน่าจะออกบวชกันได้แล้วไปหาความสงบกันมันก็เห็นอยากจะไปเหมือนกันแต่การจะทำให้มันสงบเนี่ยมันยากเท่านั้นเองที่มันไปกันไม่ได้ก็เพราะามันไม่สงบกันถ้าสงบแล้วรับรองว่าไปได้ถ้านั่งสมาธิแล้วใจสงบคนนั้นแหละเป็นคนที่จะไปได้ก็มีบางคน บางคนที่มีความสำเร็จทางโลกมีความร่ำรวยมีอะไรแต่พอได้มาฝึกนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบได้เขาก็ไปได้ไปปวดได้แต่มีน้อยมากเพราะต้องมีอาศัยบากรมีอาศัยบุญเก่ามานั่งสมาธิอา้านาทีส0นาทีจิตก็รวมได้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ไปได้อย่างพระพุทธเจ้าก็นั่งเฉยๆก็จิตก็รวมได้ อยู่ตามลำพังพระองค์เดียวไม่มีใครมาวุ่นวายรอบรอบตัวพระองค์ปล่อยให้พ่อองค์อยู่ตามลำพังปั๊บจิตมันก็รวมถ้าคนเจ็บรวมตั้งแต่ก่อนตอนที่ยังเป็นคารวาสอยู่นี่จะออกบวชกันทั้งนั้นเพราะเขาเห็นความความสุขที่แท้จริงแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองต่างๆแต่มันอยู่ที่ความสงบของใจนี่เองเพียงแต่ว่ามันยังไม่สงบถาวร มันสงบเพียงเป็นเหมือนหนังตัวอยา่างให้เห็นว่าโอ้หนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้นะก็จะทำให้ม sort of <estar> ีแรงด <mar> ึงด <they> ูดที่อยากจะไปดูหนังจริงก็เลยจะออกบวชกันเพราะรู้ว่าการที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องอยู่ตามลำพังเท่านั้นต้องอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพต่างๆยังต้องไปอยู่ในป่าในเขากัน พอเป็นที่สงบสนับวิเวกห่างไกลจากลูกเสียงกิ่นรสที่มาคอยยั่วยวนกวนใจทำให้ใจไม่สงบตั่นเองดังนั้นก็ต้องพยานปฏิบัติให้พบกับความสงบนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะออกบวชพอได้ความสงบนี้แล้วมันจะมีพลังจิตที่จะผลักดันให้เราไปมันจะมีเครื่องดึงดูจิตใจ เหมือนกับรู้ว่ารางวัลที่เราจะได้รับจากการที่จะต้องไปทุกข์ยากลาบากนี้มันมีคุณค่าคุ้มกับค่าเหนื่อยคุ้มกับค่าความทุกข์ยากลาบากต่างๆไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของอนาคตของผู้อื่นแล้วโยมกังวลกับอนาคตของเราดีกว่าว่าเราจะเอาตัวรอดหรือเปล่าเพราะว่า คนอื่ไม่มีใครจะมาทําให้เรารอดได้เราต้องทําตัวเราเองให้รอดได้ว่าพุทธศาสนาจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับกับเราเลยมันถิ่นที่เกี่ยวกับเราก็คือการปฏิบัติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติทําตัวเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าถ้าเรายังขาดอะไรก็ควรจะเติมถ้าขาดศรัทธาก็เติมศรัทธา ถ้าขาดความเพียรก็เติมความเพียรถ้าขาดสติก็เติมสติถ้าขาดสมาธิก็เติมสมาธิถ้าขาดปัญญาก็เติมปัญญาอันนี้แหละคือน้ํามันของใจที่จะผลักดันให้จิตใจไปถึงมรรคผลนิพพานได้ก็คือศรัทธาสติศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญานี่เองตอนนี้เรามีแต่เป็นอยู่ในระดับต่ําที่เรียกว่าอินรียอินรีห้าเราต้อง ปูกฝังเรือเสริมสร้างมันขึ้นมาให้กลายเป็นพลังขึ้นมาให้ได้เรียกว่าพละห้าจากอินไซจากอินทรีย์5มาให้กลายเป็นพละ5ตอนนี้เราก็มีศรัทธาเราก็เข้าหาพระเราก็มีศรัทธาในการปฏิบัติเราก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนากันเพียงแต่ว่าความเพียรของเรามันน้อยความเพียรของเราอยู่ในระดับมือสมัครเล่นทำบางเวลาบางเวลาก็ไม่ทา เราต้องทําให้มันตลอดเวลาให้มันเป็นมืออาชีพไปความเพียรจะต้องเพียรแบบมืออาชีพถ้าเพียรแบบมืออาชีพสติก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดตามมาทั้งหมดก็อยู่ที่อยูศรัทธาแล้วก็อยู่ที่ความเพียรเป็นตแบบ่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องเพียรถ้ายังเพียรน้อยก็ต้องเติมความเพียรให้มากขึ้นเติมให้เต็มถังเลยเหมือนเวลาเราไปเติมน้ํามันนี่เราไม่เติมขึ้นถัง แติมันให้เป็นเต็มทางเลยมันจะได้เดินทางไปได้ไกลไม่ต้องหยุดบ่อยๆ อ, อาลนะนะคิดว่าสมควรแก่เวลาขอให้ทุกคนนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขและความทุกการดับทุกต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปไม่ต้องสงสัยอ่านแล้วนะ โยมเขาฝากอัจจัยมาร่วมกับทำซีดีธรรมะบนเขาไม่ทช่ซ er> ่อมไให้คนไเอาไปเอาไ้ตรงนี้ก็ได้ใส่ซองแล้วเขียนว่าทำซีดีธรรมะบนเขาอรเขียนว่าเขียนไว้แล้วเนไว้เดี๋ยวจะได้ไปให้คนดีๆทำเล่า้พวกนี้ฟังว่าเน้นคำยังมากลาท่านจารย์เลยตอนนี้พวกนี้อยากรู้ว่า ได้มาทำปัญหาทมเทินจันบ้างเปง่ากันไม่หละก็มาสนทนาพักทายกันแล้วก็มาเล่าว่าเขาอยากจะทาหน้าที่รับใช้พระพุทธศาสนาอยากจะเผยแพ่ธรรมะให้มากๆพูดเท่นั้นแล้วก็ไปแนะนำญาติโยมที่เวลาท่านมารับกินิมวนเขาก็จะบอกเนี่ยที่วัดยามีพระอยู่นะท้านอยาก หาพระก็มาที่นี่ก็ได้ตอนนี้ก็มีมาใส่บาตร่อเช้านี้ก็มาตั้งสิบกว่าคนมาใส่บาตรมาจากเมรุกรรมนะคงอย่างเัี้ยมั้งคนที่เคยเวลาเข้ามารับกินเงินเขาก็จะไปรับที่ร้านอาหารแล้วมีก็จะประกาศบอกคนที่ใครอยากจะทําบุญก็เปทำบุญที่ร้าน ก็เขียนชื่อว่าเป็นเป็นสมาชิกเทศบาลชนบุรีเขาก็ต้องการที่พึ่งคือคนส่วนใหญ่ยั ง, ยงคิดว่าการทำบุญประค่าแล้วจะทำให้มีอันนี้สูงมากให้จเจริญในราบยศในท่าเสริแต่จริงการทำบุญนี้ทำเพื่อให้เรามีความสุขใจให้เรามีความเมตตา ให้เราไม่มีความยึดติดในสมบัติเก้าของเงินทองทําให้เราไม่มีความโลภอยากได้เงินทองเขามไม่รู้เขาทำเพื่ออยากไปได้ราบยศกันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อก็ทําก็ยังดีก็ไม่ทําทําแล้วเขาก็มีความสุขใจทาไปต่อไปเขากา จ, จะได้มีโอกาสได้ฟังได้ได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะได้รู้ความจริงว่าการทำบิื่อแค่จุดนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อดับความทุกข์ดับความอยาก